بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ دوอาฟารานามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ความหายนะจงประสบแด่ผู้นินทาและผู้ใส่ร้ายผู้อื่นทุกคน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 دراك ما الحطمه نار الله الملقد لاอะไรเล่าที่ทำให้เจ้ารู้ได้ว่าอัลฮุตมานั้นคืออะไร คือไฟของอัลเลาะห์ที่ถูกจุดให้ลุกโชน التي تطلع على الافيده ซึ่งมันจะลุกไหม้เข้าไปในหัวใจ اننها عليهم مؤصده في عمد ممدده แท้จริงมันจะลุกไหม้คลุมพวกเค้าอย่างมิดชิด อยู่ในสภาพของเสาสูงชะลูด